มูพ่พ้างห่งอหออดีระขัง่งเหรอเออดีระขั่งป่ะน่าทํามาัดเพื่อนกาารอุนป่ะ น่อมๆเดี๋พระอรหันต์ตระสมาสิพพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยแปลออกจากนโม พอได้ยินว่ามหาเถรเประมาเดนะอย่างนี้แล้วก็พริกจิตพริกใจถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่กัตตุนไว้เลยไม่กัตตุนไว้โอนถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายมหาเถระชั้นหนึ่งคือพระธมรจัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระบัจเจกทั้งหลายอหันตาชีนาศพทั้งหลาย พระอนาคามีทั้งหลายพระจกกาคามีทั้งหลายพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้แหละเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พกบก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดี ดยเดชพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกเมือ่อผลชดท่ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรวรพุทธศาสนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดว่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี่ก็ดีทั่วทั้งไตรโรกาต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยการ อายกรรมสามวจกีกรรมสี่มโนกรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อ น, ก, อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่วทางไตรโลกาจงให้อภัยแก่กันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อผูกขาดจองขาด ผลชุด ท, ท่ายพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทั่วทางไตรโรกาจงประสบความสุขความจเจริญในบรและพุทธศาสานาของพระสมาะพระพุทธเจ้ายิ่งย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโอยชอบโดยดวนตามความประสงค์ของตนทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทินห้างตุมเฮฮีปิเมคคำวีตาวางยัดยาปปังกตังกมังกุสรนประปะญติโสมังโลกังวะาเสติปะหมตโตวันฉิมา อภิวาธนสีนิสานิจังมุทตาปิายโูจัตตารูธรรมาวัันติอายุวันูนสุขังปะลางคาราวจานิวายโซจะเอตมังฆารมุตตมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เท่รพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณและเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอขมาโทษต่อพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลิกได้ไม่ลิกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามเท่าเข้าสูนย์พระ涅槃แล้วเลิกได้ไม่ลิกได้ก็ดี อธิษฐานสักกรรากาย ส, กกาาสักกรรวาจาสักกรรใจเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติทูลถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระนิพนเพื่อพ้นทุกข์ในวัตารงสารโดยดวนในปัจจุบันชาตินี้เถิด ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รุดพ้นมันก็กรกอกไม่ได้เศษข้าพเจ้าทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเือโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอทําแต่ละวระบาตมันส่งต่อพระนพานหมด นโมพะระโสดาบันนโมสักกทาคามีนโมพระอนาคามีนโมพะระหารันพระหันเรียนนโมจบแล้วเพราะ น, อนอ้อมจนไม่มาเกิดแกด่เจ็บตายไม่มีโรคมีโกรธมีหลงเลย<ส><ก>ผู้ใจสูงก็น้อมขึ้นสูงผู้ใจต่ำก็น้อมไปต่ำตามฐานอันดอนของใครของมันคําสอนแต่ละวระบราบมันส่งต่อพระนิพพานบทนโม พุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเจ็บไม่พามาตายทัาโมสองไม้ซึ่งความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสังโภคจิบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่เจ็บตายมันก็น้อมได้หมดมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนน้อมไปทางถูกก็ถูกนะน้อมไปทางผิดก็ผิดหมดคำสอนพระพุทธศาสนามันเป็นโลกุตระคาสอน ไม่ใช่โลกีคําสอนสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปเป็นลําดับพัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวแลว้วไม่มีรัฐที่ใดๆจะมาสั่งสอนให้ละเอียดละออเหมือนพระพุทธศาสนาเลย ก่อนที่จะมาสั่งสอนโลกก็มีพุท ธ, ธจริยาสามโลทัต ท, จ ร, ออทจริยาเพื่อเป็นพุทธทัตทจริยาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายาัตทจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติโลทัตทจริยาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเพื่อสงเคราะห์โลกคําสอนพระพุทธศาสนาสงเคราะห์โลกบทโลกาเบตู สัฏทเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดามนุษย์ทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยไม่มีนัดที่อื่นศาสนาอื่นจะมาเสมอเหมือนเลยพระพุทธศาสนาเนี่เป็นคำสอนอันเดียวกันอีกเชื้อด้วยจะมาจีร่าลานพระองค์ก็ตามก็มาสอนคำเดียวกันพรบอันเดียวกันไม่รบล้างเลย คุ้ครองโลกความละอาตาบาภความกลัวตาบาภเท่านั้นจะคุ้งครองโลกไม่ใช่รูประเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่รูประเบิดปรมานูไม่ใช่สาราอาวุธ ถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพี่น้ดลงจากหัวใจของพวกเราพวกเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนว่ดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธธรรมสงใครรานใครรุ่กล้าพุทธธรรมสง ผลของกรรมในทางที่ไม่ดีก็กจะนำตามบรรจงอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจแล้วใชยกฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งไม่อยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวตรไรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถืนสัต สี่เท่าสองเท่าสัตว์เสือกสัตว์คลานสัตว์น้ำในในน้าดำในดินบินในอากาศเขาก็จะมาเป็นมนุษย์เสียก่อนแต่ยังไม่มีคิวจะมาเรื่มสัยศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะสามารถสาเร็จสุจปฏิปนโวอุชุยยะสามาจิเป็นลำดับได้ในศาสนาของเราก็มีตัวอย่างอยู่แล้วศาสนาพระโคลม ก็ภาษารีบุตรและพระโมคคัลาก็อยู่ในรัติอื่นศาสนราอื่นมาเลื่อมใสศาสนาพุทธเสียก่อนก็จึงสําเร็จพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันศาสนาพุทธเป็นศาสนาเอกในโลกใครจะเคารพนับถือหรือไม่เคารพนับถือก็ไม่เป็นปนัญหาก็เป็นของจริงของดีอยู่อย่างนั่นเอง ไม่รบเรือนไปทางใดเลยไม่ขึ้นอยู่กับผู้เคารพแล้วไม่เคารพไม่ขึ้นอยู่กับผู้ถือและไม่ถือเป็นเด่นโด่งดังอยู่อย่างนั้นผู้ใดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทาง อ, อ้อมทางใกล้และทางไกลลึกและตื้มันก็กองทับน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าหน้าของใครของมันมันก็ตกลงมาใส่จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา หรือมิฉะนั้นก็คลายกับกำฝุ่นต้อลมลมพัดมาตึงๆโกรธให้ลมกำฝุ่นต้อลมงับปากไหวอับไม่ทันมันก็เข้าปากเข้ารูจมูกอีกเข้าตาอีกอเพราะมันไม่รับไหวหรือไม่อย่างนั้นก็คว่างปลาค้อนใส่ต้นเสาเมื่อต้นเสาไม่รับไหวมันก็กระเด็นใส่หัวนั่นะควางไกมันก็ไม่ถึงคว้างใกล้นักวยเอกก็หลบไม่ทันใช่ไหม ถ้ากรรมแล้วผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสน า, าเหมือนกันสอนทั้งมนุษย์สมบัติสอนทั้งสวรรค์สมบัติสอนทั้งพรหมสมบัติสอนทั้งนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วเราจะปฏิบัติเพียงแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเราเราจะไม่ไปปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องของเราพระพุทธศาสน า, า, า, าไม่ได้เดือดร้อนเพราะเรามาศาสตราท่านก็สอนหมดแล้ว เราจะลาพวกท่านไปละมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบัติอันใดเราก็สอนพวกเธอหมดแล้วผู้สำเร็จพระรหัสไปก็มากโสดาก็มากสักทาก็มากอนาคาก็มากผู้ลงนรกก็มากถ้าผู้ลงนรกผู้ไม่มีศาสนาเราก็ไม่จริงผู้ทำผิดก็ผิดจริงผู้แผ่นดินสูก็มีจริงอยู่ผู้สาเร็จพระรหัก็จริงอยู่ เพราะพุทธศาสนาเราจรึงบริบูรณ์ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่บริบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกันเหตุนั้นเราจรึงเคารพธรรมถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ทำเหตุนั้นเราจรึงเคารพธรรมพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาเป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้รบล้างเพราะ พรบกันเลยยามากีลรล้าชพระองค์ก็ตามก็มาสอนมนุษย์จั๋วันชมพมนิพานเหมือนกันตรงกันเลยพรบอันเดียวกันไม่ลบล้างเลยกรรมและผลของกรรมมีอยู่ถ้าผลของกรรมกรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ผู้ที่เขาได้มาในทางที่ไม่ชอบเขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ก็รูดตัวก็สายไปซะ <c oughs> ข้าหน้าเหลวว้าน้าเหลวมันยังติดมือนี่มันว้าแดดว้าลมไม่ติดมืออีกเช่นด้วยทางเจริญคืออะไรในทางพุทธศาสนาะสอนให้ละอะไรบ้างมนุษย์สมบัติมีอะไรบ้างอบายามุขทุกประเภทมันเป็นมนุษย์ริบัติ มันก็เป็นสวรรค์ิบัตด้วยมันก็เป็นพรหมิบัตด้วยมันก็เป็นนิพพานิบัตด้วยไปในตัวอยู่อีกด้วยถ้าเวนอบายามุขทุกประเภทมันก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวแล้วภูมิของสุปฏจปโนคำสอนของพุทธศาสนาเป็นโอตรคําสอนนับแต่สุปฏจปโนเป็นต้นไป จนถึงสามีกิเอสพาสพพะคมะโตสร้างออกสรงโคนี่เน้อสาวกของเราตถาคตไม่ได้ยืนยันวนะ่าอันอื่นเป็นสาวกไม่ยืนยันธมหานิกายหรือธรรมยุทธสายนั้นสายนี่เป็นสาวกของเราไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นยืนยันแต่เพียงว่าสุพจนปโนชโยายายะสามีกินับทั้งผู้ตั้งอยู่ในมรรครัตโสดาปจมักสักทาคยมักอนาคยมักอ ร, รหัตตมักโสดาปจมพลสักทาครผ ล, ราาผลอนาคายผลอ า, าลอรหัตตผล เอส า, าวกบาโตส้าวสร้างโคนี่เนอสาวของเราตถาคตไม่ได้ยมชั้นวันนะเลยอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถุกถึงสุภจิปโนโชุยายะสามีได้เหมือนกันค้ายกกลือไม่ผูกขาดว่าคนชั้นต่ำชั้นสูงไปกิฟแล้วจะมีรสหวานก็เป็นรสเค็มเหมือนกันรถประหอนไม่เข้าข้าคนต่ำ ไม่เข้าข้างตระกูลใดคำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนครอบโลกหมดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยรัฐที่ใดๆจะมาแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธศาสนามันก็ค่ายๆอึ่นอ่างกับบัวนั่นเองพองตัวขึ้นท้องแต่ตายคาที่เรื่องเท่านี้ได้ไหมนะ ว่าแล้วก็พองตัวขึ้นอีกว่าแล้วก็พองตัวขึ้นอีกแล้วก็ท้องแตกตายคาที่ใครก็เหมือนกันจะเทศจนไม่น้ำไหลไฟดับก็ตามก็เป็นคําสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้นเพราะท่านเทศหมดแล้วเลียมก้างท่านเราจะเป็นสวสดาบันสักทาคามียนาคามีไปวันนี้ก็เลียมก้างของท่านในทางดีเราจะตกนรกในวันนี้ก็เลียมก้างของท่านเทระมาแล้ว ท่านเคยตกก่อนเราแล้วท่านเคยได้ประสบพบเห็นมาทาั้งทางดีและทางชั่วแล้วจึงมาสั่งสอนชาวโลกเต็มภูมิผู้เชื่อพระพุทธศาสนาก็คือเชื่อจิตเชื่อใจของเราที่เริ่มใสนั่นเองพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพุทธโธธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจรวมอยู่ที่ใจพุทธโธแปลผู้ สอนละบาปบาเพ็ญบุญทั้โมสงไว้ซึ่งละบาปบาเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อละบาปบาเพ็ญบุญบุญแบ่งเป็นสองบุญในโรกีบุญในโรกุตระบุญในโรกุตระนับแต่สุปเิปโนเป็นต้นไปจนถึงอนันตตมัชส่วนอนัตตผลนั่นกเหนือบาปเหนือบุญไปแล้วบุญของสุปเทปโนคืออะไรบ้าง หนึ่งข้อหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระ ส, สงฆ์ตาบเท่าเข้าสู่พระญาพานหรือตลอดชีวิตสองละอายต่อบาปกลัวต่อบาปสามมีสิ้นห้าบริบูรณ์ไม่บกพร่องสี่ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายามุกทุกประเภทห้าไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันหก ไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วเกตไม่เสียดายอย่าค้าขายเครื่องประหารค้าขายมานุษย์ค้าขายสัตว์เป็นรายเรื่อสัตว์ที่ัวข้าเพ้เป็นอาหารค้าขายนมว่าค้าขายยาพิษการค้าขายหยาย่าในี้พระสวสดาบันไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจ เมื่อถึงสุปจนโนแล้วอุโชยยะสามีจิตเปิดประตูไปเองคือประตูจิตประตูใจประตูสติประตูปัรญาประตูปัญญ า, ญญาบาปของสุปจนโนเป็นบาปที่มีหนทางที่จะละได้ในอนาตตลอดไปในอนาคตไม่บวกบุญไม่บวกบาปมาอีกเลยมีแต่บวกบุญทวีขึ้นไม่ถอยหลังในเรื่องบุญ บุญจะไปเตรียมอยู่ที่อรหัตตม m ร k พอถึงอรหัต h ผลก็เนื้อบาปเนื้อบุญไปแล้วนั่นส่วนบุญโลกีมีหลายบางทีบางทีก็โผล่มาถึงโลกุตรบ้าบางทีก็ไม่โผล่กวนเวียนอยู่มดบุญแล้วก็ไปหาบาปมดบาปแล้วก็ไปหาบุญวนเวียนกันอยู่นั่นส่วนบุญสุพัะพนโนเป็นบุญก้าวหน้าไปสู่พระหันเป็นบาปก้าวหน้าที่จะร้อยล้อออกหมดนั่นน่ะ สิ่งไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไมมีเลยคุณของพระพุทธศาสนาะคุณของพระพุทธประธรรมประสงค์ไม่มีประมาณเลยอัปมาโนพุทธโธประมาณโอธโมประมาโสังโฆภาษาดี่บทเดินจงกลมกลับไปกลับมามากราบถุนพระบรมศาสดาว่าข้าพระองค์ น่าพิจนาคุณของวระพุณประธรรมประสงค์ตรมกลืนกันเป็นเชือกสามเกียวไม่มีประมาณเสีเลยพระองค์เอยเออมันถูกละก็เพราะท่านเป็นภูมิปัญญามากถึงจะย่นลงมาเป็นพระวิสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณมหากรุณาคุณหรือเอเกคุณก็ตามก็เป็นโล ก, กุตรคุณหาที่วางไม่ได้เพราะใหญ่โตโหถาน ถึงจะขยายออกก็ไม่มีที่จะขยายเพราะเต็มใจโลกธาตุเต็มใจจักรวาลเสียแล้วจะพิจารณาอยู่กี่กับกี่กันก็ไม่หมดเพราะเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็เห็นมากสิผู้มีเชือกยาวก็ถึงได้ไกลผู้มีเชือกสั้นก็ถึงได้ใกล้ผู้มีสายสมอยาวก็ทอดน้ําลึกได้ไม่มีประมาณเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็เห็นมากสิ พระเป็นโลกุตระคุณไม่ใช่โลกีกพระ บ, บรมศาสาดาผู้หวังหดทุกข์ในวันจะทสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติผู้บาลเมีแจก้ามาแล้วมันก็พิจน า, าตรรยักษ์หรือพิจาณาอนิจังทุกขังอนัตตาอาดีตคืออะไร คือใยรักที่ล่วงไปแล้วคือสังขารที่ล่วงไปแล้วอ น, นาคตคืออะไรคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือฐานที่กำลังเป็นอยู่เหตุนั้นพระรมศาสตร์สลายจึงยืนยันเราพิจารณาสังขารตามเป็นจริงของสังขารเราพิจารณาพระเนปาลตามเป็นจริงของพระเนปาน เราพิจารณาปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันเราพิจารณาอาดีตตามเป็นจริงของอดีตอนาคตแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสาเนี่ยหมายความว่าผู้ภาวนาวิปัสนาธุระทําไมจึงว่าวิปัสนาธุระก็เพราะมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้รักษาสิ้นห้าถ้าไม่มีปัญญาเป็นหัวหน้าก็รักษาสิ้นห้าไม่ได้ ผู้มีสมาธิทําไม่เป็นปัญญเป็นหัวหน้าก็ตั้งสมาธิไม่ได้เหมือนกันปัญญาก็รอบรู้ในปัญญาปัญญาพระสวสดาบันปัญญาสกขาคามีปัญญาพระอนาคามีปัญญาพระอรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสวสดาบันปัจจุบันสกขาคามีอนาคามีอรหันก็เอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันช้ากับปัจจุบันราษฎร์ีน้ำหนักต่างกันจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้ เราปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัตตาสงสารปัญหาก็ไม่มากถ้าเราปฏิบัติเพื่ออันอื่นปัญหาก็มากเพราะเหตุใดเราจึงปฏิบัติเพื่ออันอื่นก็เพราะบารมีของเรายังอ่อนอยู่บ้างจำเป็นก็ต้องกอรากาขอสาราขาทำบทเดียวกันผู้ใจสูงก็โอนขึ้นสูงผู้ใจต่ำก็โอนลงต่ำณโมตัวเดียวกัน นโมพระสวัสดิ a w เป็นนโมที่ไม่หลงทางนโมพระกทาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นว่านโมแปลว่านอบนอบ้อมนโมพระหัน์นโมพระอนาคามีก็เป็นนโมที่ไม่มีโรคไม่มีโกรธนโมพระหันไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงเป็นนโมเรียนนโมจบแล้ว นโมไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่เสียดายอยากว่าเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะสงสารเลยสิ่งไหนไม่เสียดายสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดถึงนั้นก็ไม่หนักใจความดีคนดีทํำในง่ายความดีคนชั่วทํำในยากความชั่วคนชั่วทํำในง่ายตรงกันข้ามมูดพูดมแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงพึ่งไม่ฝันเลย เกสอนดอกไม้แมลงพึ่งแมลงผู้เป็นของหาได้ง่ายบินปรือเดียวก็ได้มาแล้วมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าของทิพย์ของมันเหมือนกันแมลงวันมันก็บอกว่าของทิพย์ของมันเหมือนกันผู้ใดอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้น ผู้ยืนยันระดับที่สุดก็คือพระหารยืนยัน่าพ้นทุกแล้วมันมาเกิดแก่เก็บใต้อีกรอกเราท่าพูดอย่างนั้นเอา้าทำชั้นสูงที่นี่ความสุขในโลกมีไหมไม่มีถ้าความสุขในโลกมีพระทหารก็ไม่เบื่อนายความหลงของตนเลยข้ามทะเลหลงของตนไปซักไหข้ามทะเลหลง ข้ามชั่วรักด้วยมือเดียวเลยพระอรหันข้ามข้ามโลกก็ข้ามทะเลหลงที่เจ้าของหลงกันเองหลงอะไรหลงใจถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงธรรมถ้าไม่หลงธรรมก็ไม่หลงใจหลงใจตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นไม่หลงใจโดยสิ้นเชิงก็พ้นจากทุกโดยสิ้นเชิง คำสอนคำสอนในคุตตสัตวสนามเยมากก็จริงก็มากออกมาจากใจย่นลงเป็นเอกานิบาต ท, ทีนี้น้อยกระหานลงมาหาใจเห็นทุกคณะกิดหนึ่งเห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเพราะลกไปด้วยก่อนทุกเห็นอนิจจังคณะกิดหนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งเหมือนกันเห็นธาตุดินน้ำไฟลมคณะกิตหนึ่งก็เห็นรูปประธาต์รูปประธรรมรูปประขันรอบหนึ่งแล้ว เห็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นไม่มีใครจะข้ามทะเลหลงไปได้ข้ามทะเลหลงก็ข้ามอยู่ที่ใจเพราะหลงใจถ้าไม่หลงใจก็ไม่หลงสิ่งทั้งปวงในโลกโอเดี๋ยวเดี๋ยวาาธรมะพจน์ธรรมะพจน์จาดอุนมา เดี๋ยวมันทางมันกะมันมันทางเวอรให้ให้ข้าเจ้าทำวัดจะมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยเยมามาาเดี๋ยวเดคือ ม, มันอผมาเกิดอะไรขึ้นท่านนี่ผมผมอยู่คนอาทิบพ่ะนีะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวะม้อนมาทางนี้ใชมาะมเอาทำผิดมาไปเอา อันนี้พระพระเข้ามาทั้งเดียวกันต้เนเลยฮึมาจากคนในการอุ้นหมดเยแม่นบอฮะร้ายไปไหนพระพระจำพรรษาดำไร้ายไปไหนฮะพระชุกเก่ า, าอืมยี่ิบเก่าโอ้หลายอยู่แล้วขว้อมันหลายค้อหน่อยข้ม จเจริญความเส no ื well. ่อมมาอยู่กับหน่อยกับหลายอยู่กับใจแต่ละคนอันนี้เก็ซบกลวผนี่เกีเกเทมานาวิเดนตายห้นี่ะคมคเสือมคเจมอยู่กับม่อยู่กับหน่อยกับหลายหรอกอยู่กับยึดกับใจของใครของมัน กระนก็บอกม่ขึ้นบ่งั้นเหรอบ่ยืนนี่นะ ตุมให้เมกมิตตบังเอวังหตโยจปาปเบปมะชิตวาปชาโซนปมะจิตโตมังโลกังบพาเติอภามตโตวัจจิมายสปาปังกตังกมังกุสเลนะหิยติโมังโลกังบพาเติอาภามตโตวันดิมาอภิวาดนาสิริสนิจังุธาปจายโน จตารโทธรมมวั oh, ันติอายุวันโสุขังคาลังโอดังเฮงหันใจเขาปืดปืด้า่ปั น, ป น, นไดละ่ะอยู่น้ำกันอยู่น้ำลงปูข้าเจต้าที่สามเน้นซี พ่อาลปูขอนลอยบ่กมูจังหน่อยนี่เด้อขอนลอยบ่กบ่กมูลจัหน่อยนี่บ่กบ่แต่ก้มก้าล่ะพอขาดควายผู้วายจมันอยู่หลายมูหลายคนหลายอ่าหลายอันหลายหลายฐานะ ผู้ต่ำก็มีผู้สูงก็มีภูค้อมโหสูงก็มีภูข้อมโหต่ำก็มีมาอาศัยภูบายจันคันมาอยู่น้าเพลนแล้วมาเพิงผ้าอาศัยเพลนแล้วอย่าห้ยเพลนนักใจเด้อไคก็ต่างใจเอาของไฝของมันให้เพ่งโทษเจ้าของอย่าไปเพ่งโทษกันขันเพ่งโทษกันมันสิพิดกันมันสี้อนมันหอนเผาเจ้าของก่อนถ้็จะไปเผาหมูเผาพวกทาผิดกันมาคูบายจันกับเพลนเป็นภูเป็น รับพิดสอบได้วัดได้ว่ากันทำให้เพิ่นได้คิดอย่าให้มันพิดกันเป็นห่วงผู้บาอาจารย์เพื่อกระเทาะกระแจดูแลโบทั่วถึง่เห่ามาอยู่น้าเพิ่นเหล่าตั้งใจรักษาคลองไข่คล่องมั่นขอวัดปฏิบัติต่างๆให้ผ้ากันเห็ุเอาไข่เอามั่นแครงกันในค่วมดีมันบทเสียดลับแน่อยู่แบบว่าก่อโมูอยู่แบบกาฝากเพิ่นว่า โมเห็นแล้วยังไปนางเอาโหลดนัลา ก, ก็ไดกินแล้วกับลูกนี้โหลดโมเฮซาปัดกวดวโมเฮซาปูเจือเท้อมีดดังแจให้โมเฮตให้แบบนั้นมันเป็นพระเป็นแน่นกาฝากอยู่อาศัยโมมันเข้าโมท่นเป็นคู่บาาา่ายยานเข้าเป็นผู้น้อยก็ต้องรีบเฮตรีบถ้ำอันใดเข้าพ่อเฮตพ่อท้ำใดฝ่าเฮตฝ่อถ้ำเมาเดี๋ยวจะเป็นผู้ใหญ่ แต่จังสีมีบือถือบอกสีสอนปลูกซีดลงหาส่วนตัวเฮามีข่มหลู่ร้ายอยามาบอกมาสอนผม mm hmm. ผมบริเณมาถือนิสัยกับท่านอาศิคิดแนวนั้นการเพาราะว่าหน้าตัวกันมันเป็นของเป็ น, เ ป, นเป็นมงคลผู้ใดเห็นว่าเฮามีข่มบกข่วงตังเตือก น, กนกันกับต้องฟังกันผู้บาอาจารย์ผันดูแลบทวถึงได้ผมบริเณมาถือนิสัยน้าท่านได้ถึงมาบอกผมให้ยังผม ให้ผูบาอาจารย์ไม่มาว่าะพิดเป็นไดกับปยอญามนต์นั่นั่นกับาละหน้าตัวกันมันเป็นของเป็ น, เ ป, นเป็นมง้งข้นผู้ใดเห็นว่าเฮามีพว่วมบกข่องตเตือนกันกับตองฟั่งกันผู้บาอาจารย์พันดูแลวัตถุถึงได้ผมบริมากเธอนิสัยน้าทานได้ถึงมาบอกผมให้อย่างผมให้ผูบาอาจารย์ไม่มาเว่าะพิดเป็นไดกับปยอมนต์นั่นั่นกับวถืถมันเป็นมา่านะทิฏฐิเป็นกิเลสเห็นว่า ยาหายไม่เป็นจังสั่นผมห่วงครูบาอาจารย์ยามาอยู่น้ำเพิ่นหลายกะยหายเพิ่นนักใจเพิ่นมีความสุขลื่นเรื่องในหมูในพวกทําขอวัดปฏิบัติเดินจงกรมเข้าวันหน้ากินหลายมันอก็นอนหลายกินหน่อยมันก็นอนหน่อยพระพุทธเจ้าเพิ่นบ๊วยสรรเสริญการกินการนอนว่าเป็นข้องดีเป็นสรรเสริญความเพี้ยนการวดนอนคอนอาหารเป็นสรรเสริญ ทำความฝากความเพียรปีคนบ่ไดฉสนเสริญการจินการนอนเข้าพ ญ, ญายามเข้าอยากดีเข้าต้องทำเอามปนเหตุแท่งกันบ่วใดขันมปนเหตุแท่งกันใดพราะพุทธเจ้าคนเอาไปเบิดอะไรละพเอเข้าเป็นสางบา ร, รมีมากเพื่อจิหลือค้นสัตดแฉผมเป็นห่วงขอบเบอตนี่แหละ <laughs> ไปหาหลวงพ่มาหาโอ้ยเป็นเจ้าเจ้จัน์ไกป่ปลาขันออมพุทธิโคบโคบโคบอยู่ด้วยอำนาจเมตตาเพื่อนไกป่ปลาคือไก่บ้านขันอยู่อันเฮานี่มั่นมาขันไก่มาได้แล้วเดี๋ยวนี้มันรีอยู่นี่โจนม่านนของหลวงพ่มาหาขันออมอยู่สบายอยู่ หลวงพูเทศหลวงพูเทศกับเทศนักเธอวเทศนักจังไงเอเเข้าว่าเนยสงสัยว่าเพิ่นที่ออกมาดทีมขันวันยังสั้นเลยบืนเขามาดิมขันวันอัตขัดเัวว่าเพิ่นี่ทีมขันเท่ายา ก, กุหินปะเป๊งนั่นหละวมาทิมขันยา ก, กุหินวันอัตคัดบาดไงหลวงปูมหากับหลวงพูเทศ หลวปู่มหากัดเป็นตาลุตตนชาอาดเพิร์นญานลูกหลานเห็ดกุฏิวิหารแข่งกันเจ้าของราชาบันดูกับพี่อี่กุฏิหล้างง่ายสาราลังง่ายเพิรนมันบอดีที่สาราเพิรนสารานะไอเพิรนเพิร์นญาตลูกหลานเห็ดสาราหรือเห็ดวัดแข่งกัน เพิ่นละวัดเพิ่นลอัตคัดแค่ไหแต่ว่าหัวเพิ่นดังดีเลยนหัวภายนอกเพิ่นหัวภายในเพิ่นก็ดีขึ้นกันละหัวหัวภายในกัหัวจิตหัวใจเพิ่นเพิ่นมาเห็นนี่เพิ่นมาช่องหันช่องนี่นี่โอ้โจิตเทียบัดนี้น้ว่าสั่นออกไปนี่เนาะมันจะตายมันสางกินที่แตกเทอย่างเพิ่นวางันทีเสนอเมื่อวานนี่หละโอ้บวกบวกกลวงบัดนี้บวกไงบัดนี้ได้หรอเนาะว่าั่น คือสิ่งที่ผู้ฟ้องว่าสางสาราใหญ่เยมันช่องหันช่องนี้ช่องหันช่องนี้ลกผู้มาพนกติคือเห็นว่าญาติห้ให้มันเถอะมันก็ไม่วัดเดียวท่านนี่มันว่คือทันสีทันสีมันสางลายวัดเนียวชีวิตมันมันก็ไม่วัดเดียว่านนี้วัดมันกับยูวันอัตคัดจะหาอย่ายาหัวมันดอกคนที่คือราษณกพระจักวาเพื่อก็เรียบว่าห้อ่ะพิศพยมยายายยาอยากหาย ส่วนที่อึดมันก็มีวันเดียวท่านนี่กับย่าหัวมันดับสีว่านี่คือเข้าวันน้แพ้เลยขอดิเข้าวันน้เหตุพุทธาพิเศษเพสันอีหยังนี่แต่ว่าของนว่าอันวันหนือมันอึดน้าคือจิตายดิคอน้ายโยนี่สิบสองปีจังคอยได้เหตุน้ามันนี้มาสร์เจ้กมันบัน้ท่านน้าขอน้าไม่นสิบสองปีเลยนี่คอกันเทิรเท่าไรข้อพ่อขอมาจังหวข้อหม เราจะมาในน้านี่ฮนี่อันวัดผีบ้านนี่กับคำว่าเฮ็ดั้งซี่กับ่ได้ฮะนี่ฝนตกแล้วมาอะไรเป็นโศกนี่อ้าวเฮ็ดเจสาฝน่วยสั่นมาเข้ามาแพร่าขอมาเปียงดอกว่าสั่นเขาก็ได้เฮ็ดท่านนี่ท่านที่เฮ็ดน้ำแร่งกับเปนเฮ็ดว่ได้ฮะนีอึดน้ำฮะนี่ต้องเฮ็ดน้มฝนน้ำฐานที่น้มว่าได้ฐานที่ว่าก็ขันฮะนี่ต้องอาศัยน้าล้างค้าด้วยลงคัน เพชรมุ้งหยาคไว่าเองอะไฝมไปป้ามากเดีวว่าใส่หยาสวมี่กไฝ่ค่ัไฝ่อร่อยบายผู้ขายดเมือนมีดิอู้จำนยากเฟินเาเรื่องทุกแล้วบุกขารับกอนโมบอทเขาบูุกขาดอกวสันทุกขานี่มันทุกข์โคตรวสันเกินว่าสาดเนี่ยวสันคันวายุ่ทั้งโลกอะ ขาดหน้าไอ un, oh ้ของก่วงกองก้เบิ้งพ่ออย่ากหัวซักใช้ขี้โอมตายอย่คนนึงคันเดียวเราเดี๋ยวบาคันแท้เขาจะปิมเนี่ยคา่าเป็นพระมาสั่งกับปุ้ยร้อนจินกินยาทุกจะแท้หัวนี่ย่อมเป็นเขียงเช็ดเท้าคู่บาอาจารยจังมาพ่อได้มาเปลี่ยนหัวนาหัวบ้าใช่ว่านเถอะจะเป็นนั้นกันยังพ่อแห้งร เพชิีวาได้กัญญาเพินมาั่นบวชมาแล้วก็บวได้ทงเชียงเหลืองประากินโลดดอกวัชรเป็นเคียงเช็ดเท่าพันยูตหลายปอยู่วัชรชิบกว่าปีวัชรจะมาเป็นหัวนาหัวบาววัชหลาบาทเชษบาตัาเองชิบที่ชิบผาพันสาผ่เจ้าปอยแหมูดอกวัชรชั้นเขาได้บาดค้นจะกันพร้อม่าสั่น เสมอเนี่ยโรคไแน่วได้เสมอนี่โรคายแนว่วโรคทุ่น้นำดีเป็นนิวโรคพุ่มแพ้โรคลูกมาโตแล้วก็โรคใส่เลือดระเบิดเกินชอกคันห่ารอยยีสิบสองสามารถท่านาพาบตัตดใส่เก็บคันห้องงูไเนี่ยนี่บุพกรรมบุพกรรมมันมากกรับศาสตร์ จับง่อยเขาตอนเขาที่แปลงหูแปลงสมให้มึงหอกมึงจะตีขี้ร้าตายมึงร้ายกันเ่าให้มันสองพันหาเบสองนมาแปลงหูแปลงสมให้ตัวนยสองพันคาราทัวสิว่าสิ่งไหนสนอันนี้ก็นี่กันยิงนกเนี่ยยิงนกเขาเนี่ยมัดชีวิตกันในนกเขาตัวเดียวเท่านั้นะคอยข้านก็ไปข้านก็ไปข้านก็ไปผูกสองว่าตบใครบ้า ได้นกเขาตัวเดียวท่านละ่ะมันก็ตกบารักกอกแ ก, ก๊กมาลักกอกแก๊กลงมาได้ถอดลูกพูกออ ก, ะ ก, ก, ก, ก, กนะกอกกกกอกกอมันว่ามึงธนะมึงธนะมันเสีว่าธนาคือมันก็ได้ใจขาดโว้ยกูก็พ่ออยากกินมึงสาเสดีว่าธนาคืออายุชิพหาปีได้เนี่ยโยม่ายโยมายเนี่ยะได้นกเขาตัวเดียวท่านละ่ะใครจะไปยิงมันได้นกเขาอมันตาดีก็จะตายเนี่ยพวก ตะกี้มันหกเลยป้ามันจังเลยยิ่งรัฐการที่หกอ่ะพ่อสองพันห้ารอยสามสิบปานี่เฮต่อายุสิบห้าปีตามมาละปานี่ระเบิดคเน่แล้วเก็บค่าเดือนจุกรมทรัพยระบอได้ไปโร้องพยาบาลพ่อเขาเ อ, อกขึ้นรถไปย่องร้อ ง, งพยาบาลกันกูที่ตายพ่อเขาล้มเขาล้มออกเนาะท่าน กำหนดลำไยไกเขาเออกปล่อยพอมเลยชอบไปหอดเขาบ้างนะประคมโตใส่เขาหลวงปูท่ทีตายให้ลูกหลานเบิงเดินี่วะสัน้นลูกหลานาเ่คยเห็นพระกรรมฐ า, านตายหลวงปูท่ทีตายให้เบื้องเดียวนี่ะวะสัน้นเดี๋ยวนี้มันหลวงปูท่ทีตายให้เบิงวะสัน้นเขาเอาเขาหองสุกเสริญเนี่ยเขาก็มาคั่เบืงนี่เ้ยแมน่นิีแมน่นิีวะสั้น นี่พเอาอยาเขามาครั่านเขาเอายามาเขาเอายามาโพลใส่โรคหัวใจตีบช่วงเลือดว่าท่านแล้วค่แล้วาลมานสียดยาให้อีกเสีดยาให้อีกเลยหายออกแล้วหากออกหากออก เขาได้หลายโซ่โมงเลยย่งางพันย่อยํานี้แหละย่างงูทำนีำน่แล้ไปทายทายะาา น, อ น, อยนะครับว่าใครล็อปูน้อนนี่แหละว่าสันเมื่อนี่เชื่อไน้อนน้าดอกว่าห้นอนคือพระอนาคาดอกว่าสันโอ้ยล็อกปูได้สมาท่านแล้วลูกหลานเด้อย่าสันน้อนว่านนด้ดอกว่าสันขันล็อปูนอนนี่แล้วขันล็อกปูตื่นคือว่าล็อกปูดาดินไปไปโพกือพูดจากกอล็อกปูก็ไม่ปักตูย่วสันล็อกปูสามารถท่านคักแล้วว่าสัน สัจจาปารมีสโนอธิษฐานปารมีสัมปันโนตั้งสัจจาแต่พาะเจ้าของดอกวสันสวนผู้อื่นคู่บ่อาจารย์นอกไกววสันเป็นเรื่องนึ่งวสันวัดเอามาเป็นมู่เป็นเพื่อนกันวสันเพิ่นประโยชนดเพิ่นกัดาประโยชน์แถววันันั่นโตปรยชนัดใดกันนักว่าแต่มาเดียวนี้ก็ยังนักแล้วเน่ยสนตว่างสิขึ้นไปบ้านพละวสันเขาก็เลยมู่มาไหว้ดักสูเพิ่นไหว้วสันเขาก็เลยแห่ขึ้นมา รถขึ้นมามานอนร่มหมุ่นได้คกเจีบมือเมือนจัขึ้นมาเทิ่์งได้เดี่ยวนี่ก็ยังรักษาอยู่นี่ห่วยถอนเงบว่าเอามาล่ะนี่นี่เอ้าอันนี้สันไหนได้นี่เอ้าว่าท่านไหนสันว่าท่านไนขา้ามดอกเนี่เอ้าจิบจิบเิ่งสแน่ล่ะจิบจิบิ่งสกคนขัมันห่างเสียขอเบือ่อซอมาหายได้ห่นจิบจิบเิ่งสะกคน ก <dans> ็โสนนี่อันนี้อ่ะถ้าบ้านเนี่ยสันนี่อม่นสันไัเนี่ยินะง่เายมาหะ เคยไหัวม่เอาหายหน่ยนะผมได้หน่อยอยู่น้ำหลวงปู้มันกำลงอยู่นำ้ำลงหลวงผู้มหานี่ยหลวงู้มหาผล อ, นอนัมลอที่ชุดเน้อยู่บัตตาอรมลอที่สุดเะนะี้ยขนาดพออยู่นำ้ำเมฆฮาวาหิโยฮาวาห้พระส่วนนั้นมูตัวอา ย, อยุน้ำเพน จิวอย่างพีแง่พี่แง่บอกว่าสันเนี่ยแต่ปางพันเป็นนุ่มบนล่างบาดชาสิกัญาตเอาบนตัวว่าฉันแล้วเขาว่าฉันว่าให้พวกบรจจารว่ามู้ตัวในยุ่งนะพันเข้าใจว่ามันเกีงบมเดียรนี้ว่าฉันแต่เป็นนุ่มบนแห้งคับกุนี้ได้ว่าฉันหเรี่ยงโลกเรื่องสงสารบนใดดีๆได้ว่าฉันอั่นรับก่อนสี่ก่อนสี่ทุ่มเว้นไว้ถงจะเก็บจะป่วยก็ให้ มนทางตุ่กลมเสาก็ะห่ายลพบุรีมันคือกันรล่ะไปเที่ยวเว่ยเวสิลับมาถามภาวนาว่าได้ไรควมกระห่ายไปเที่ยวหายจริงเขาตม้มขนมเขามาถามภาวนาว่าอะไรควมบาา ม, มาสั่นพันว่าไปเที่ยวนอนกล า, กลาลงกุดใกล้มันทา่าให้เขาทำบุญนะ่นเขาทำบุญวัไใ้เขามามนม์ขันมาละมาดตัวผู้เถาเสด็จว่าวลพบมันไปเห็ดตั้งแต่ขอวัดล่อถามภาวนาว่าอะไควมกับว า, ายูน้หลพบมันก็ลพบุรีมหาคืออะไรตะเกีย ไม่ของง่ายๆหรอกอันเดียวกันท่นเนี่ยไปเฮ็ดแค่คอวัดรอกถามพวหน้าวัดใดข่วมก็ให้เฮ็ดแค่คอวัดของเจ้าของขอวัดของเจาง้ขขจาของก็ให้บริบูรณ์คอวัดของครูบ้าอาจารย์ก็ให้บริบูรณ์คอวัดของส่วนร่วมก็ให้บริบูรณ์ถามเรื่องพระวหนา้าใครใดข่วมว่ดใดข่วมไล่หนีเป็นมู่กินมู่ขี่กันแต่ตัวตัวเม่น ว่เก็บคือจะตายในตัวล็อปูมันล็อปูมหาว่าเก็บคือยังเนี่นอนรับก้อนที่ถูกหมุนในรอบเมื่อเราไล่หนีรอดเนี่ยพ้นคำถามจากก้อนนี่ว่าสบายบ่สนอถ้าไม่แท้พ้นทะเลาะบางแล้วอ่านเหรอว่าถาหมายโยคหน่อยส้ายอยู่ไปยังจึงนอนรับก้อนที่ถูหมุนถาายโยไปงังจึงตื่นตั้งแบตีสามมุนว่าสันใตัวให้ตัวลปูมันคือน ว่เพิ่นอยียขี่มาเพิ่นกะว่าท่านี่ย่อมาเพิ่นท่าเอาจคอยไรเนี่ยยูน้าเพิ่นจังสั้นเพิ่นกะว่าให้กูจังซี่เพิ่นกะว่าให้กูเขเป็นนักจังสันแต่ว่าไร่จะเลื่อนเนี่ยมีนาทีฟังกัฟังอยู่มีนาทีปฏิบัติกับปฏิบัติอยู่เขาไปยงนําเพิ่นปีที่แรกด่าว่าสันหลวงปู่มาให้พิดซํานี่ด่าคือหอดฝ้าถึกซ้ำนี่ก็ย่อคือหอดฝ้าย่องะว่ให้ติดด่าว่ให้ติดแต่เนี่ หน้าที่นี้ก็ต้องทําอความสอนทางเพื่อนๆทางมี้คติอยู่เล็กดีฟันคอยกับเขาฟันแห้งกับเขาเล็เบดบดีฟันคอยกับเบี้ยวฟันหลายกับบ้านวัดท่านรบวัดวัดั่นที่นี่งูโตมากตงใสเนี่ยม า, ม, ามากมากมากตั้งใจ มู้นนั่งทหารบ่โอ้มู้ตัวหันดอกไม้บ้าบุษะกองขี่ม้าบ่หลวงพระพุทธเจ้ายกไหวพระพุทธพระธาตุผสมยกไหวสร้าเท่านี่ยอกว่ามู้ตัวหันดอกไม้บ้าบุษะกองสีม้าบ่มัอจิตวัต่องคนบ่พุทธพระพุทธพระธาตุผสมยกไหวนี่ว่าในไม้พุ่นหอกไม้เท่าหอกว่า มหาพุทธประทานประสงค์ยังมหาเฮาเนอะ<า>เออมหาเฮาเฮาเบาบเเห็นบัตาเห็นเห็นสายเห็นยใจบ่เาไปห้าม่าเห็นยุเขาใจแน่นบ่เอออืเไปหาม่ามาเห็นยุใจบ่อนอกจากกาไม่มีอนไดจะทาดีให้ใจนอกจากกาก็ไม่มีอนไดจะ ท, จจท า, ทท า, ททาทชั่วให้ใจใจเท่านั้นทาดีให้ใจใจเท่านั้นทาชั่วให้ใจ ยศลงมาหาใจได้บาทเนี่ยแปดหมื่ที่ยพระธามขันยศลงมาหาใจได้บาทเนี่อันที่พยศลงมาหาใจขยายออกเรียกว่าอะสังกั้งหัวไม่สงเคราะห์สังกัหัวแปลว่าสงเคราะห์ลงมาหาใจครับเนี่ยศีลจัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจ สัมถาพอใจรักไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยยาเพียรหมัประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาหมันตีตองพิจารณ า, นานเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลในถึงสิง่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยรับทาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติเลือกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกกลงศีลสมาธิปัญญาโกมืนนกั อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนี่พูดในด่านภาะวนาเนี่ยทําทไมจึงว่าวิปัสสนาธุระเพราะธุระทางปัญญาไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระศีลก็ดีสมาธิก็ดีต้องมีปัญญาเป็นในหน้าถ้าไม่มีปัญญาเป็นในหน้าก็รักษาศีลไม่ได้ก็ทําสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้ ก็ไม่รอบรู้ในกองสังขารเหมือนกันนั่นเหตุฉะนั้นจึงว่าวิปัสสนาธุระก็คือธุระทางปัญญานั่นเองปัญญายับปาริสุทธิบุคคลจะบริสุทธิก็พระปัญญาปัญญาโล ก, กจะมีปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นอันนี้จังคณะเดียวทะลุโลกแล้วสรองผู้เขาก็สอ้างเเดี๋ยว เพราะผู้เขามันแตกสลายเป็นได้มันเป็นอนัน จ, จังมันอยู่ใต้อำนาจอเ น, อน จ, จังถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนไปได้เพราะอรหันหาความชุกขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยชุกขของกระหัสก็ไม่อยู่สี่อย่างหนึ่งชุกขแกกระแ ต, แตความไม่รับ สองสุขเกิดแต่ายทรัพย์บริโภคสสุขเกิดแต่ประกอบการทําการงานที่ปาฏิจักรส้าสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินสุดสี่สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ไม่มีโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อาํานาจอนุจังเกิดขึ้นจากความเปรีวนแล้วแต่สลายสุขในพระพุทธศาสนาสุขถึงสุปฏิปันโนบานหน้าถึงอุชุปฏิปันโนบานหน้าถึงยายะ ถึงสามีกี่ไปจบสุขอยู่ที่นั้นต่ำกว่านั้นลงมาไม่มีสุขเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าพูดในทำละเอียดนะ นอกจากพระพุทธศาสนาไม่มีรัธิใดๆจะสอนเนี่ถึงโลกุตระได้เลยมีในมหาปริเนิพานสูตรมีประโยชน์ด้วยประการสิยงสันใดพระพุทธเจ้าโออันข้มามวาร จึงในท่งรั่วผันรวงร่มมากพี่ท่าหอมหาย ห, หัวพูดสดนเหน็บขั้นฤทธเดชว่าตาสิมาใดดังใด น, นี่เด้คำโบราณเคยได้ยินคำว่าถั่วแต่ว่าลราวิดยังไงยังไงตัวละาเพลนคำโบราณเราทั้งคิดทั้งใจแต่ได้คำโบราณมาลวงภายขึ้นชูแว่หาค่อยดูยมมาหน้าไหลฟาดฟ้องเพื่อนฟง ข้าเทียบในท่างปรมัดข้าวแต่เทียบจังเลยพระรหันต์เน่ยเจ็ใจเพิ่นสูงเพิ่นมังลงมาหาผู้ติชนคนหนาวมูเฮ้าฟาดฟ้องเพื่อนฟกโูมาเพิน่นขึ้นสติปัญญาเพิ่นข้าวเทียบในท่างปรมัดเทียบในท่าพัดสูตรก็เป็นจริงยังกษันมูเฮ้าปาถนาเพิ่นทุกข์ในวัฏสงสารบาได้ลงทุนมากคือพระ อ, องค์เจ้าดอก ก็ อ, องค์เก่าล่ทุ่นมากที่สุดเข้าปัตนาสุขขยัตตะโกเพนว่าสุขขยัตตะโกแล้วเลือกศาตร์หนหลังบ่ได้เราะฉนั้นให้ผู้ข่าตอบู้ขาว่าเ ล, ลือกได้เลยสุขขยัตตะโกชาติก่อนท่านเป็นอะไรมามีผู้ถามอย่างนี้จะตอบอย่างไร คำว่าชาติเป็นทุกข์ครับผมไม่พอใจจับพิจณาเลยครับแต่ว่าท่านระลึกชาติไม่ได้มันก็ไม่ถูกเพราะเรื่ในทางปัญญาท่านตายจากนี้แล้วท่านจะไปไหนถ้าบาปมีก็ไปหาบาปถ้าบุญเมีก็ไปหาบุญถ้าพ้นเกลีย์ก็ไปสู่พระแนาพาย จะว่าท่านตอบไม่ได้มันก็ไม่ถูกถูกไหม <S <S 1> <S 1> ถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยินยงทรงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสน า, า พ, พี่นาฏลงในหัวใจชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดม้วยสุดทีส่สกุลพุทธใครรานใครลุกรา้าว ชาวพุทธผลของกรรมจะตามถึงที่สุดผลของกรรมอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วสลากฎหมายาใดๆก็ตั้งมาอยู่อู๋ของธรรมไม่นําคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงพิงก็หมดที่พึ่ง พ, ง พ, งพิงอิงอาศัยพวกชาวไตรโลกายาประมา ท, า พ, ท, าทาพระพุทธศาสนาเทือนพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภตพมสมบัติเนปานสมบัติเต็เมภูมิแล้ว ลงมือปฏิบัติเท่านั้นตามตเตจกํกำลังของตนว้านนอยก็ น, น้อยออกไปจากใจว่าหล้ายก็ร้ายออกไปจากใจข้าพูดแต่ละวัระบาดไงกายก็สังขารวัตจีสังขารจิตตาสังขารพูดพูดแล้วก็ล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปล่วงไปก็คืออั น, นจังอันละเอียด พระานปมาลมะมาพูดด้วยทาฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ทาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้เธอทั้งหลายจงรู้ตามเั็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพน้นตามเป็นจริงจากความสงสัยเสียเถิดพระบรมศาตราสอนธรรมชั้นสูง เรารู้อดีตตามไปเจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามไปเจองของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามไปเจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเมื่อเราเขาไม่มีอยู่ในที่ใดๆแล้ววิญญาณมาติสนันติก็ดับไปณนะที่นั้นเองพระพุทเจ้าธรรมะสั่นสูงเลยเลยทําไมพระพากรัพระพาหยะเทศบทเดียวจึงพอแล้วพระพาหัว พระพาหิยะสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วในข้างพระเจ้ากัตตะปะไม่ใช่พระมหากัตตะปะกัตตะโปโคตโมกัตตะโปข้างพระเจ้ากัตตะโปสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วไปรบกวนพระบรมสาราาีรนาพระพรมสารีรัตนากําลังเดินบินธบาตกระผมขอฟังเทศเอ้อ เรากำลังวินทาบาทอยู่ไม่สมควรบางทีพระบรมาสาราสิ้นลมพานเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีผมสิ้นลมพานเดี๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็มายากเรารู้จักเธอแล้วแต่เราถามเป็นพิธีเฉยๆดอกเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเออครับพอแล้วสำเร็จพลังงานแล้วแต่ฉานเอาไปจะสามต า, าสีด้วยนั่นทําไมยังเป็นอย่างนั้นเป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเขาก็ค่ายกว่าเทศอนัตตาใส่ เป็นสักว่าลูกเป็นแตสักว่าเห็นอย่าไปยึดถือว่าเป็นผู้ลูกผู้เห็นอย่าไปยึดถือผู้ลูกผู้เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนอะลูกแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปร่วงไปแล้วอย่าโอนเอามาโลกมาโกรธมาหลงคล้ายๆกับพูดอย่างนั้นแ่ะคือเป็นแะสักว่าลูกเป็นแตสักว่าเห็นอย่าไปยึดถือผู้ลูกผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตใจก็เหมือนกันเธอต้องข้ามทะเลหลงอันนี้ไปสร้างคล้ายๆกับว่าอย่างนั้นแหละพอแล้วครับแต่า้าในไปที่ซะ หายห้าตอบนักธรรมเอกสมัยในห้าวบตอบคือเก่าเด้เ้าที่ตอบไปเนี่ยไม่ได้บ้านนี่ปัญหาณธรรมเอกในสนามหลวงผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเล่าอาจารยถ้าตอบให้มันถิดสนามหลวงเคนกับตอบตอว่าต้องเป็นสมถะเพราะภาวนาพุทโธถึงอุปจารสมาธิไม่สามารถถึงอปน า, าสมาธิ เขาขายคะแนนถึกให้ใ ห, ห้าตอบมุสูมก็น ห, ห้าวบว่าแสดงผู้ภาวน า, า, าพุทโธพุทโธนั้นจะว่าเป็นสมะถะหรือปรัชนาก็ไม่เชิงเพราะปัญญามาอยู่ระดับเดียวกันเพราะสร้างบา ร, รมีพุทเพจกรตาปุญญาตาสร้างมาไม่เหมือนกันถ้าหากว่าผู้บริกรรมพุทโธพุทโธเห็นความบริกรรมเกิดดับอยู่แล้วเห็นคุณพุทโธไม่เกิดไม่ดับไปไหนอย่างนี้เห็นพร้อมพับกับกันในคณะเดียวจะว่าเป็นสมะถะมันก็ไม่ถูก ก็เรียกว่าไปปรัชนาละสมถะควบกันไปกลมกลืนกันไปยกกระทาหอเช่นภูบริกรรมภาวนาและโชนะนังและชังฮันติอย่างนี้ก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาทำไมจึงแตกแขนเี่ไปสัมิชาสีเ 3, 4, 4, ล่าก็เพราะปลาบาและมีไม่อยู่ระดับเดียวกันเราสิว่าสิคเนี่ย ผู้ภาวนาพุทธโธพุทธโธจะว่าเป็นสมนถะก็ไม่ถูกพุทธโธไม่พามาเกิดมาแก่มาเก็บ ม, ม, มาตายเขาพิจารณาอย่างนั้นก็เป็นวิปัสสนาควบสีเอาที่วางเสียธนนารัก เ, กเนี่ย่างโสหลีแล้วบาะเนี่ยสมืัอนี้เขามาตออคือเก่าได้บาญเนี่ยทําไมจึงมีโรกีและโลกุตระมาปนไปกันก็เอาศาสนาอื่น่าปนไปศาสนาพุทธมันก็มีทั้งโรกีและโลกุตระยุ่งเหยิงพระพูดถศาสนา รับรองแต่เพียงสุภิญโกรุชุญายะสามีเท่านั้นเป็นสาวกของท่านเป็นศาสนาของท่านนอกนั้นเป็นโลกีแล้วเอาโลกีกับโลกุตระมาปนเปกันมันตะยุ่งเหยิงซิเอาพระเท่ากับลุกเขยมานั่งเกียงเดียวกันมันก็ฮันเป็นเอาแม่นบ่ <c oughs> เอาเราก็ยังคำเราไปแล้วมันก็ชุดว่าเปลี่ยนนี่นี่ผู้ศีอาวานมันก็ไก่ด้ไม่นบ่เอาอะไรฮะเนี่ยนอท่านอุน่นเนะอน อ, อาจารย์อุน ฝวกนี้มาไม่ยกักมาไม่บ้ า, าเมืว่าก็ได้เนาะเอา้าฝวกนี้เมื่อ่ะซะเดี๋วเวๆนาดหนน้าได้สันบ่ลรอเฮ้ยนี่ีบ่ไปถ้ามาหน้าพดโทษไปมูเฮาอเนี่อัน โชวั้กปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บไ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปอ่าพูดอหารอย่าพหอย่ามาเกิดแก้เก็บตายอีกโม่เฮาเห็็ดเน่าเห็นเวซาเช็ดลาบโม่เฮาอพระพุทธศาสานาสอนให้เห็นเวซาเช็ดลาบมเอายามาพ้นเว้ยมาพนนะอย่ามา